kalna <laughs> lna กวร ม, มีศาสนาคนนั้นจะอยู่ในสถานที่ใดจะตมม้องมีสติมีปัญญาเนีสอนตัวเองไม่ใช่จะเล่นเล่ห์หาสติไม่ได้หาปัญญาไมา่มีแล้วแต่ขีดเหลือปัญหาจะชาติหนึ่งนพาไปสถานที่ใดชอบอะไรก็พูดไปชอบอะไรก็คิดไปทาําไปคนเช่นนั้น คือคนขาดสติปัญญาขาดศาสาสนาคือการสั่งสอพระพุทธเจา้าแต่จรตัวถ้าหากคนมีสติปัญญามีทํา ม, มียุ่ง่ายจะจำไปแล้วในเป็นอย่างนั้นก่อนจะทำจะพุดอะไรต่องคิดถีนิจนี้เร่องนินิชก่อนว่าสิ่งนี้ควรหรือไม่พระพุทธเจา้าเมองบอกให้ทำหรือหักห้ามไล้ ก็เป็นตรวจตาที่จเจรณาการจัดทางการพูดของตนในเช่นนั้นก็จะเกิดผลอะไรให้พระศาสนาะเป็นแขอละเอียดอ่อนคนทั่วไปยอมรักนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระรูปทรงเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษเป็นสาธารณะเป็นที่พึ่งของสารโลก นี่เก็นลัทธิณะเป็นเจ้ า, จาอันเปิเผยดิยเศษทา่ทานท่านเูยคิดไปแบบผิวเผินแบบสิ่เดาแบบเอาที่เหล่ปัญหานางหน้าท่านพินุ้ยี่นาทุกสิ่งทั้อย่างละเอียดทีท่วงสะาดดูอย่าิดที่จะเกิดขึ้นและ เถื่อคูอตัวเจได้รักฉะนั้นการคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะเหตุการณทั้งเถื่อเราท่านลาจาทั้งเถื่อเราท่านทําถูกไปเพราใจไม่มีขอบเขตไม่มีสั่งสา้าไมมีสติปัญญาแงสอนตัวเองอยากจะทำอะไรอยากจะผูดอะไรก็พเพราะเรื่องของใจไม่มีสติปัญญาที่จะรายงาน ก็เลยหลุดออกไปทำไปพูดไป ต, ตามความชอบใจทั้งตัวคนจีนทำด้วยไงในเช่นอย่างนั้นคนจีนมีศาสนาในใจคิดอ่านทุกสิ่งทุกอย่างให้ทีทวนรอบครอบการจะทำทั้งท่านจึงไม่ผิดพลาดอะไรทำไปในสถานที่ใดโดยเฉพาะ แทําำดีในแล้วในพลาดในผิดแต่คนที่มีกิเลสปัญหาไม่ชอบหยุชอบใจเขาก็ดึงมีนพาดทางเหนั้นกันจึงเอาสำคัญเลยนะสิ่งที่สำคัญก็คือตัวของเราเองตรวจตาพิ่เจอนาว่าการทําการผิดของเราผิดถูกชั่อดีอย่างไรถ้าหาคนอื่นทํากับเราอย่างนั้น จะมีความชอบใจยินดีหรือไม่หรือจะมีความเสื่อใจอย่างไรมีการทิมทิเบน่าอยางให้เข้าฮะตัวถ่ายเดียวต้องยกถึงคนอื่นนาทิมทิเบนาเกลีเคียงกันแบบถ้าหากเราถูกอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างไรเพื่อจะไปแก้ไขสิ่งที่ชัว่วเสียต่างๆให้จบออกไป จากกายวาจาของเร า, าในอย่างนั้นจะในรอบครอบในทีท่วงการพิจรารณารรมฐานการปฏิบัติใจทางศาสนาท่านให้มีสติกำหนดรักษาจิตใจที่ผรู้อยู่ภายในของทุกคนทุกคนมีผู้รู้ทางสาสนาผิบัตจ ไม่ใช่ใจใจกับจิตเป็นนอัเดียวกันใจนี้เป็นผู้ถึงก่อนเป็นเนื้นหน้าของกายของวาจาจะคิดจะทำอะไรตงใจนี้ชิดไปก่อนเมื่อใจนี้ชิดไปแล้วกาย จะทำหรวาจาจะพูดท่านจึอยามโนปุพัง้ามาทำมามโนสิทธามนบายจะทำจะพูดจะคิดอะไรใจถึงก่อนตรงนั้นใจเป็นหัวหน้าใจเป็นผู้ประเส ร, ริฐหมายถึงทำเท่าที่ไป่าสวไว้ใจ น, นั้นทุกคนนีแต่ยังมีล ม, มหายใจอยู่แราเื่อเรามีใจจะทำชั่วแต่ก็ใจ ง, ง่ใจไม่ฉลาด ใจม่เ่าถึงอยาทําไปจะได้รับผลอย่างไรถ้าใจเขาถึงใจฉลาดรอบอยูต่างๆในสิ่งเจือที่จะทํเจือพูดยังกะในที่จะไปทำไปพูดสิ่งผิดชัว่วสิ่งเสียเราตัวเองจะเป็นผู้รับผนคนไเนเงาตั้งแรงไยังใจทั้งตนไวในขอบเขตของทางดีนคนนั้น จิตใจจะมีทางสงบมีทางระงับจะตัดเชือกเสีย ต, ต่างๆทางตายดาวตาแหงนลงไปไหลบางลงไปลุ่มหมดขึ้นไ ป, นนไ ป, ไปถ้าให้หากมีลักษาะบ้านข้งใจแต่ข้งวงวัระงังเอาเลยมันเคยคิดเคยกินอย่างไรตกใจมันใจอย่างนั้นคนนั้นจะมีมีทางสงบระงนะ ไ ม, มีทางรู้ทางเห็นเรื่องจิตใจทังตัวที่สงบระงับได้ฉะนั้นการฝึกใจจึงเป็นเรื่องสําคัญการฝึกใจนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกในที่สงบในที่เงียบใีเดชสอนให้ไปฝึกในจินมุชนในเดชวอกสอนให้ไปฝึกในต่างตลาดจิตคนทุกข่างไปมา สอนให้าห า, าสถานที่ศึกที่สงบวิเวกเมื่อทางนอกวิเวาางงกนี้อะไรมาลบเอียงตาไม่เห็นี้ไม่ด้ยนืนสิ่งที่เป็นคิดเป็นใจ ท, ทาง ใ, ใจคิดจริงแล้วใจกัระวาง่าและแสนง่ายใจง่าง่ายดันั้นการฝุกใจ ต้หาสถานที่เหมาะสมไม่ใช่หรอไปสถานที่ใดฝึกน่สาสบายใจเหมือ น, นกันกับเจองนกรบนักเมฆจะต้องฝึกซ้อมเสียก่อนพึิกข่ขึ้นเวทีไม่ใช่หรอจะไปฝึกในเวทีพอไปฝึกในเวทียึดส น, นามรบทหาเหล่านั้นจะต้องเสียท่าแมงเมฆคนนั้นจะถก คู่เพานอกเพราตีนับสินมาขึ้นมือนลุกเพราะยังไม่ได้ฝึกตะเวนมาเนแต่ถามที่อื่นขึ้นไปฝึกในเรียทีทีเดียวฝึกในสนามน็อกทีเดียวเปนอย่างนั้นมีการฝึกจิดตะเวนใจของพวกเราทั้งห ม, มดกำลังเดียวกันเวลาโอกาสรดยะนั้ก็เป็นโอกาสเวลาที่เหมาะดี รูปเสียงต่างๆที่จะมาลบเบียเ่ยงเบี่ยน จ, จิตใจก็ไม่เคยจะมีอะไรไในเสียงให่จิตใจแท้ในนิดเรารูปที่เป็นคิดต่อจิตต่อใจก็คือรูปของคนเสียงของคนสิ่นของคนรบของคนสัมผัสของคนนี่เป็นเรื่องสาคัญที่สั่นโลกเผื่อใจติดข้องกันอยู่ รูปเสียงกลิ่นรสเื่ออื่นนอกจากนั้นไม่ต้องจะต้องคญเทไรที่เราเลงไหลใส่สันลดจิตติดตามกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของคนเท่านั้นเรื่องเรื่องอื่นนอกนั้นไม่ต่อยจะเป็นเรื่องสําคัญมากหนาอะไรกันเพราะนั้นเรื่องรูป ถือเป็นคิดเป็นไัยทา ง, ห า, างหายใจเกิดราคะตัณหาหมายถึงใจในใยใส่คิดที่จะเรามาทางธรรมพอเห็นเข้าแยะรูบนั้นเสียสนมงานตามสมุดของโลกไม่ได้พิจอราคิดอ่านทีท่วนแน่นอนอะไรจิตใจจะไปเปลนคิดเกิดกำหนัดเกิ ด, ด, ด, ดยินดีเกิดอยากได้ เกิดพอใจในรูปรูปที่ในเนาะสนกับตาทั้งตนกับยิ่งเลียดทั้งตนเป็นรูปบุคคลที่มีเคร่งาง่ต่างๆนานาเพราไม่อยากจะเกิดยิ่งเลียดปัญหาทั้งโกรธทางในชอบเกลียดในคช่นนี้เมื่อใจไปเกิดธรรมรักก็ดีทางเกลียดเกิดก็ดีใจนั้นในปกติ ใจนั้นในยุติธรรมใจนั้นเป็นทุกข์เพราะความรักของ็นไม่ได้ตามปรากถนาเพราะความเกียดของ็นว่าสิ่งนั้นในความในในความเห็นความรู้มันจึงเกิดทุกข์ึ้นนี่คือความม่เห็นตามเป็นจริงของใจเมื่อฝึกใจให้เห็นเป็นอัตถธรแล้วรูปจะเป็นชั่วเป็นดี ก, ก็สัตว์แต่ละรูจิที่เป็นรูปนั้นมาเช่นวากันในไจรักคือจะ ต, ต, ต, ต, ต้องแปรเปลี่ยนแปลงไปตามหาที่ของมันจิตไปยึดแน่นสำคัญไหนจะเป็นทางรักก็ดีทางเกียดทังก็ดีก็เกิดทุกข์ถ้าจิดไม่แน่ไหมไม่ยึดอย่างนั้ น, น, น, นวนละผ่านไปตกไป ไม่มีอะไรที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจทั้งตนมันก็มาเกิดทุกข์ให้ถึงจิตจะสาคัญนั่ไหนยึดแน่นไม่จรงในนั้นหนังงหนงงนกแน่งขนาดไหนเอาใจใส่ดูแลขนาดไหนจะรูปกาเป็นอนัตตาจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมัน บ, บับงคับบังชาไม่ได้มันอยากแก่มันก็แก่ไปมันอยเจ็บอยากตายมันก็เจ็บอยา ต, ยตายไปต า, ตามธรรมชาติของมันอยบนั้น จิตมีปัญญาที่เจริาครอบคอบและเห็นจริงในตัวของตัวอย่างนั้นตัวของตัวก็เป็นย่งนั้นสัอื่นคนอื่นก็เป็นอยงนั้นนั่นตนมีอะไรที่จะมครอบำงำทงจิตของตนให้หม่นหมองเสียหายจะอยู่สถานที่ใดจะมีมษษษษษษษความสงบสุขสบายมีชีวิการที่มิจเจริาเหอรู้ให้พอใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน เวลาจำมากและจิตเนี่ยเป็นไปให้ตามคำจำงตนเวลาเชียวรื้แล้วเข้าใจแล้วมันไม่แล้วมนไม่เข้าใจมันจึเหลื่องไหมันจึงส่สัมมันจึงติดข้องต้องฝึกต้องปฏิบัติให้เห็นให้เป็นอย่างนั้นจริงันภายในตัวคือทั้งหูทั้งเห็นสิ่งนั้นตามคนจริงเรา ผิวไปรู้ไปเห็นสิ่งนงนั้นก็ามาอยู่ในความติดข้อในของผิวรู้ผิวเ ห, หนน็นเป็นจิตยงรู้ยังเห็นแถวนั้นในจิตเนี่เกิดปัญหาเกิดราคัเกิดความชอบความในสิ่งต่างๆ่งถ้าหากคือยังในถึงเห็นในจิตอย่างนั้น น, น, นันก็เกิดเรื่อยไป สถานที่ใดในโลกมันมนีที่จะปลอดภัยสรุปเสียงสิ่งลบสัมผัสมันมอยู่ในโลกแต่เราดังในเกิดมันก็เคยมีในแล้วเราดังเราตายไปแล้วมันกิยังมีอยู่อีกสิ่งเหล่านี้ขาดจากโลกแต่ ส, สติมีสติปัญญาก็จะต้องเกะอาศัยที่แงงสิ่งหนี้งสอนใจขงังสนในรู้เห็น เกิดมากเกิดผลขึ้นื่อย่างนั้นคนทั่วไปจะมืกั น, น, น, กนติดข้องในจิตวิญคาติดข้องในโลกมนุษย์เหมือนกันหมดแต่นี่เป็นด่างเพื่อติสต์เต็นจิตใจจะจัดทำยังไงทำขอนของพุทธเจ้าจริงจังจะต้องน้ อ, อมเข้ามาที่เาภายในจิตของตนแต่มันเป็นด่างไรยงติดขอ้องใส่หมองหรือไ แต่ตอนรูนี้เรายังเห็นเราคิดตึงใจไหมในจิดในใจมีที่เกาที่อาศัยนั่นกนี่ยุดนม่อยู่มิดตึงไปตะไรเรื่องของมัไพอเห็นลูปที่ชอบจิบๆิดข้องในจิดในใจว่ารูปนี้ดูแม่ชมแ่จิดมากกอดต่าง มันไปเกาะไปอาศัยเรายึดถือเอรื่องหนึ่งแนนไวใจจึงเกิดทุกข์เกิดความยากล้เกิดความกำะหนึ่งดีต่างๆออกมานี่คือใจของเราไม่มีปัญญาในสาแน่าสาเหตุข้งมันแต่ทำไมมันถึงเป็นอ่านี้เรื่องยังมีมาก่อนแต่เรา้องไม่เห็นไม่ใช่หรือมั้งมีมีวันนี้แต่มันมีมมาก่อนเราก็ไม่เห็นไง มันมาแล้วเราต้องเห็นเี Never ่วเหี่ยวแล้ทไมจึงไปจีดไปชองไปรักไปชอบไปโกรธไปเกลียดต่างๆนี่คือทางที่เจมาสอนใจทั้งตัวยุนั้นมีุดานั้นแต่เราไปพอใจกับมันแต่ว่าไปโกรธไปเกลียดมันนี่มันเป็นอย่างไรมไม่าดคั้งแต่ใจจิตใจเนียวหลงมันไปเกาะไปอาศัย ไปยึดไปถือแล้ว้แต่เนี่ยเป็นอย่างนั้มันเป็นอย่างนี้จึงเกิดความกำหนัดยึมยีจึงเกิดความเสียดชั่ตงต่างๆมีทางที่จะดูแลรักษาจิตใจของนักปฏิบัติเมื่ออย่างนั้นไม่มีทางไงนี่จะไปแก้ไขภายนอกมี่ไม่มีทางสิ่งติดยึดติดลงได้คนที่มีธรรมอยู่ในสองมีควา ม, ง ม, าง ม, มสงบทางกายทางจิต ชอบสงบยินงดีในที่สงบไม่ว่าสงบนอกหรือสงบในสงบนอกหมายถึงไม่เกี่ยวข้องยื่งวากกับผู้คนสงบในคือสงบจากอารมณ์ขรนยังภ า, ายในใจทั้งตนและชอบคิดติดข้องในสิน่งต่างๆ่นี่คือสุขีมีทรง ภาย ใ, ใจในจิดจึใตใจใหญ่โตในเรือ่องนอชอบความสงบรักษาควาสมสงบปฏิบัติเ พ, พื่อสงบเพื่อควาพพมาาาาดับอย่ามีเชื้อใช่ปฏิบัติหาไรได้ต่างต่างนี้ยนจะทำอันนั้นทำอันนี้ทางของโลกทำไม่ามายอมคิดไม่ยอมขล่องไม่ยอมติด เพราะทำนิสิติที่พิจารณาแล้วเรื่อ ง, ะ อ, ง, ง, งอะไรนั้นมันช่เรื่องจำเป็นยิ่งจำอะไรเรื่องจำเป็นคือเรื่องแก่ใจทั้งตนเหตุผลไปขาดพิเรยถึงจุดค้นไปแล้วก็เหมือนกันท่างนี้เคยดำริคิดดึงในทางทั้งโลกมากมาหลายเหลวงอะไร อย่างขับรถไกลๆเลี้อวๆสาวกถั่วไปเมื่อทำสำเร็จเสร็จจิตในทางศาสนาคือการละการมั่นเพิมภายในท่า น, า น, นก็ไม่เคยไปก่อสร้างอะไ ร, รยกยงคนอื่นเกี่ยวข้องคนอื่นอย่างให้คนอื่นเขาเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความไม่นาเป็นค่าและในสอนเขาในเขาลืมหยงไม่จใ น, ในิงต่าง เป็นบ้างวัตถุแต่ผู้มีธรรมมียุ่ามีจิดใจเป็นธรรมอ่าคิดได้ในคิดใด่ใสงในเรื่องของโลกมีอยางสงดอ่างสมาท่านท่านมีชีวิตเป็นหยู่ด้รือตางไปมีห่วงใยกับเรื่องโลกตาโตแล้วจะสังจะเสียอย่างนี้อย่างนี้ในท้องทาน อันน น, อนนี้เพื่อตัวไม่พระพาาุเจ้า่เคยสอนและพระพาาุทองค์ก็ไม่เคยทามาแบบนี้ตาลงไปจะให้คนาานั้นอาจารย์นี้ในมาจิกาในสกุลเพื่อจะเหมือนเนตัวเห็นท่านไม่เคยแงสอนใครทำอย่างนี้คนที่มีอดมีทำในใจก็ห่หมือนกันกับพระพุทธเจ้า ถ้อเห่ยงในเหี่ยงจะอบุญสาปคนอื่นจากเรื่องอื่นคนรีดเล่นกต่ทำมังเต็มให้เห็นยินเห็นาู้เห็นคือความสุขความสบายความสงบภายในจิตใจของต็เรีดเล่นแต่ทพื่อเห็นให้เต็มในเมื่อยังในตายยังชีวิตอยู่อะไรที่ควรรู้ควรเห็นควรละความันเต็มแต่ทา เป็นเป็นตามหน่าที่ของท่านเข้าใจไม่อาจไม่ทำฝาดถึงจริงจังไม่มีอะไรที่จะเฉงใสว่าการทำของตนนั้นมันเป็นพิษเป็นภัมันเป็นโทษเป็นทุกข์จะต้องให้ตนอื่นมาช่วยเหลือเกี่หมือย่างนั้นอย่างนี้จึงจะสมได้ทำไมไม่เคย อาศัยคนอื่นอย่างนั้นตายไปเหนื่อยเขาจะบังสุกินทำเวียนหาก็เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะทาหาเราไม่ต้องไปเหยียบยออะไรอะไรกับเขาพาะนผินที่เราจะ ท, ทามันเเราเห็นหนเคจิตมันสงบมันสบายมันหายหย่นจิตข้อพบชาตต่าง ที่โตในจจิบังมันขาดเรื่องเกี่ยวข้องกับโลกหรือภพชาติที่มันจะไปติดต่อมันก็ติดต่อกับจิตถ้าจิตในติดในข้องในก็ในเกี่ยวแล้วภพราตินี้จะมีที่ไหนชาตไปจากในจิตในใจท้องตัวในการปฏิบัตินี่คือที่จะปฏิบัติ อาจทำที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้งงไงไม่องต่างๆทำยุ่งอย่างนี้ทำยุ่งอยัางนี้แต่เขานับถือรู้แน่บอกเราเป็นกูดนี้มีอันไหนบาปตัวไหนดีเด่นเลี้ยงปากแต่งยุ่งอย่างนี้ไมีได้รอกเรียงคนทำไมนะเพราะตัวเพ่งตัวแต่เพฤ่อปฏิบัติใจใจอาจไม่ทำ เราจะสอนตัวเองและสอนคนอื่นอย่างนี้มีู่ด้วยความสงบสุขปฏิบัติโดยอดโดยทำให้เพื่ออะไรในแนวางปฏิบัติอยู่นั้นก็เพื่อตัว่องตัวคือเพื่อละเชื่อแบนเทมดีไม่ได้มีสิ่อื่นมากขวางและในจิตในใจที่เจ้าแม่เชืไถตลอดการตลอดเวลาจึงได้ที่ชืวอช้าลามก กัรจาบปาเป่าหัว ต, ตกออกไปสิ่งใดที่จะนำความสุขความเจริญมาให้ที่เจ้าแมแก้ไขที่เจราแม่บำเพ็ญในสิ่งนี้เพี่จิตที่เคยซึ่งจึงติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหัแบแห้าได้จนระยะเวลายาวแม่บางทีตลอดบังตลอดคืนมีความสงบมีความคิดกซึ่งมีอาจไม่ทำ ิแจงเกิดสติเก Fo ิดปัญญาเกิดวิชาดีมุตขึ้นในทางการทมบำเพ็ญของตนยงมีความสงสัยทะเลทลไปตามย่างกิเลสที่กอคกลยดหยุด้มันกอดเพราะกิเลสมันอยู vale? ่กับทำทมีอยู่ในสถานที่ใดสติปัญญามีอยู่ในสถานที่ใดกิเลสปัหามันกัวมันในตาเข้ามาเหมนกันไปว่า ที่มันแาวนในที่หลบที่หลีกที่กำบังสัดวร้ายต่างๆเช่นมหรือเสียมันก็อาศัยไม่บา้เพราะทางนันออกไปในสถานที่แ่างที่สว่างอย่างนี้นมันเกลียดใครกิเลสก็ทางานเดียวกันมันชอบอยู่ในที่มืด แอบอยู่ในที่มืที่มชั่วให้เส่ยใจทั้งตัวเกิดทุกข์เพราะสะติหมีปัญญาหนีต่อแสงทีันันจงแอบเคยไหมจะคิใจทั้งตัวให้คิดชั่วเกดชั่วทาชั่วไปต่งตงางๆแต่มีสติปัญญาเป็นแสงสว่างอยู่แล้วไม่เค้าหเต็มก็ น, กนี้ครัมันจะได้เลื่อนข รักคนเรานีก็ต้องหาโอกาสหามีผู้คนหานี่มีเจ้าหน้าที่รักษาดูแลอยู่ไม่กล้าเข้าไปเพราะมันเกลือไข่ไฉันใดวิเลตปัญหาของท่านนั้นเจ้าหน้าที่ก็คือสติปัญญาดูแลรักษาใจอะไรที่เป็นพิษเป็นไัยเกิดขึ้น หรือเขามาแติปัญญาจะต้องรู้ว่าอันนี้มีนเป็นพิษเป็นภัยแสียใจเสวยใจทั้งตัวจะต้อ ง, องจับจะต้องรักษาหักห้างอาไอาไว้ในหใจไปเกี่ยวข้องในสิ่งที่ชั่วผิดเสีเยผิดเป็นเทษเป็นทุกข์นี่คือเรื่องของสติของปัญญาของการปฏิบัติศาสนาจิต ใ, ใจจะละเอียดเข้าไป ทุกวันทุกเวลาไม่เคยสงบก็จะสงบสงบยึดหน่อก็อจะสงบแน่ข้บไปใจที่ไม่เคยทันความปุิมชิดก็จะทันอย่างความปุมิมชิดของใจตัวเองรักษาแน่ปบัตาเกิดสุขอยู่ต ล, ตลอดการตลอดเวลาถึงทิงจิต ถึงใจภายในใจตายนี้ถึงจปะปฏิบัติไปได้แค่ไหนมีวิเศษขนาดไหมนมันก็เป็นไปตไมามธรรมชาติของมันแต่ท่านก็ไม่เลืหันไหลาตายธรมะมันเป็นไปอย่างนี้นรรมะมันเป็นไปอย่างนั้พูดก็พูดไปตามสมมติที่โลกจะขาดตั น, น อ, ย อ, ยอย่างนี้กัดเวรเข้าอย่างนั้อย่างนี้ความจริงตายมันมีห น, น, น้าที่แก เ, เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของมันไปอย่างนั้ อย่างทั to to ้งขาดทั้งขังถึงจะมีทางยิเสีประโยชนขนาดไหนจะรักษามันไว้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเป็นไปในบ้านการดีขาแบบเปนเรื่องอนัตตาอย่างเหลนี้มีทางที่จะแก้ไขขับไล่เห็นหายได้เมื่อเกิดก็ต้องมีแก้มีตาต้องให้แก้ใจมาแก้เข้าใจตามเป็นจริงแบบงนี้ ทำจงเลียนมาในเรื่องหลงที่เ จ, าเจ้ามาแก่หาย่งจิตใจภายในถึงเพราะจิตใจนั้นถ้างแกร่งในขณะกิเลสตัณหาในรู้เขา้าเข้าถึงหลักของธรรมะอันจริงจังเหลือถึงตายจะตายไปยัย่ยกงก็อปะการก่อชาติใหม่ อ, อีกได้าตามเรื่องของกรรมที่ัวาทำไว้จะชั่วมีอย่างไร ก็เป็นเรื่ององการที่จะ ท, ทำไหมให้เหงื่อต่อพก่ปปรความฉาหม่เหนื่อยใจประเภติปฏิบัติัต้งจัดอภิชาปัญหาภายในใจเมื่ลไหลมั น, น, น, ม น, น, นมจติดข้องในโลกเมื่อแต่เมา่อแต่ช้าสุกความละเอียดขนาดไหนเ ม, มนื่อยใจยัง่งเป็นมีนิดกว่าห้านี่คือความสุความละเอียดของใจ ก็ยง ไ, ไม่ข้างเม่หลุด อ, ออกไปจากทวางถึกความละเอียดอย่างนั้นมันยังจิตต่อกันอยู่คือยังมีสะพานผาดถึงกันอยู่มีเือจิตในขั้นปฏิบัติท่านราัในจิตทั้งท่าเป็นเมื่อจิตประเสธปฏิบัติย่อยผัวไปผัจง่าเผัวไปหลุดเลี่องออกไปจากสมนุทางเมือไม่มี อ, อะไรที่จะเป็น สะพาเหยียบโยงกันอีกความบริ ส, สุทธิ์นั้นเข้าใจหน่นในจิตของตัวและความบริสุทธิ์นี้เขาคือไปจ๊กหรือสารถเทีเท่ยที่แผ่นปฏิบัติมา ก, ก่อนก็เป็นอย่างนี้น